ส่วนทัศนภากยสูตรคือสูตรเกี่ยวกับโซดาปฏิมักแสดงเอาไว้เพื่อการก้าวล่วงสูตรที่เป็นวาสนาเคยได้ยินไหมว่าโสดาปฏิมักประเสริฐกว่าเนวสัญญานาสัญญายาตนะเ อ, เอาโสดาปฏิมักเนี่ยนะมาหารสบหกแล้วเอาหนึ่งในหกสบหนั้นมาหารสบหกอีกเนวสัญญานาสัญญายาตนะยังเปรียบไม่ได้เลยยังเปรียบไม่ได้เพราะประเสริฐสูงสุด เพราะฉะนั้นว่าสนาไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาประเภทรูปาวจรอรูปาวจรโสดาปฏิมักรประเสริฐยิ่งกว่านั้นการแสดงโสปะโสดาปฏิมักเพื่อละโลกิยะกุศลทุกชนิดการแสดงโลกิยะกุศลเพื่อละอะกุศลการแสดงโสดาปฏิมักเพื่อละกุศลในระดับวัตตาออกไปการแสดงภาวนาก็เพื่อละทัศนะหมายคือว่าอย่าเอาแค่โสดาปฏิมักนะมักสูงดีกว่านั้นเหมือนนก็เลยแสดงภาวนา ภาวนาคือสากตทาคามิมักอนาคามีมักแต่อเสขาภาคยะสูตรสูตรเกี่ยวกับผ้าอาหารทั้งหลายมีไว้เพื่อสละสูตรที่เป็นภาวนาภาทยะเพราะอะไรเพราะอาเสขาภาทยะสูตรมีเพื่อทิฏฐธรรมะสุ ข, ขาวิหารธรรมการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันนะอยู่ด้วยความเป็นสุขในปัจจุบันสรุปการแสดงบุญเพื่อละบาปการแสดงโสดาปติมัคเพื่อละบุญการแสดงภาวนามักเพื่อละ ล, ละอะไรละทัศนะการแสดงพคุณธรรมของพระอรหันเพื่อพระเพื่อล ะ, อะภาวนามัดมีอยู่บางสูตรทั้งๆ ท, ที่สูตรเหล่านั้นเนี่ยทั้งๆ ท, ที่ในผู้ฟังทั้งหลายมีแต่พระอริยะหมดเลยแต่ว่าไม่ให้ไม่มีพระอรหันอยู่ในนั้นพระพุทธเจ้าชมคุณธรรมของพระอรหันให้พระเสข่าวฟังพระอรหันนะท่านดียางนั้นท่านดียางนี้ชมอยู่นั่นแหละ ในนั้นไม่มีพระอรหันต์อยู่เลยพระพุทธเจ้าชมพระอรหันต์เพื่อให้พระเสขขาดัางหลายเลื่อมใสพระเสขขาดว่าจะได้ยินดีต่อไปยิ่งกว่านั้นก็มีข้ออุปมาเปรียบเทียบอยู่เรื่องหนึง่งเขบาบอกว่าเหมือนอย่างว่ า, เ, าเสนาบดีคนหนึ่งหรือทหารคนหนึ่งไปรบชนะมาพระราชาเบาะให้รางวัลให้การดูแลปลกครองหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะกพว่า เส็ล้วอีกภาคหงบอกเอ้ยไม่เอาหมู่บ้านนี่มันเล็กเกินไปแกปกครองตำบลดีกว่าคุมตำบลบอกโอ้ตตำบลก็เล็กไปปกครองอำเภอปกครองเมืองเลยดีกว่าบอกเมืองไปเอามาเป็นพระราชาเลยดีกว่าะที่สุดก็แต่งตั้งให้เป็นพระราชาฉันใดพระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็ฉันนั้นจะแสดงให้บอกว่าเออมนุษย์นี่ดีนะแต่สวรรค์ดีกว่าเป็นต้นนะสวรรค์ก็ดีนะแต่ว่าพรหมโลกจะดีกว่าพรหมโลกถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยนะโสดาปฏิมาดีกว่านะ โซนาปติมากรก็ดีแต่ว่าสากะธาคามีมากเป็นต้นดีกว่าแต่สรุปว่าผ้าอรหันดีที่สุดก็เลยค่อยๆให้ละไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่แต่แสดงพูดอรหันแต่เลยไม่ได้ต้องค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆโลกุตระสูตรที่เป็นสัตตาทิฏฐานด้วยบุคคล26ประเภทคือบุคคลที่เข้าถึงโลกุตระธรรมเนี่ยนะมีอยู่ยี่สิกประเภทด้วยกันผ้าระยะนี่มีอยู่ยีหกประเภท ให้เราได้หนึ่งในหกหนั้นนะนะตั้งเยอะนะตัวเลขไม่ใช่น้อยในยะี 26, ่สิบหกงั้น26ประเภทเหล่านั้นค้นหาจากสูตรสสูตรคือเราจะรู้ว่าใครเป็นพระอริยะเนี่ยนะดูจากอะไรทัศน์ภารยะสูตรดูจากภาวนาภารยะสูตรดูจากอาเสขภารยะสูตรสสูตรนี้เป็นสูตรที่บ่งชี้ว่าพระอริยะผู้เข้าถึงโลกรุตระพระอริยะผู้บรรลุโลกรุตระ ดูจาก3สูตรนะดูจากสูตรไหนทัศนภาคยะภาวนาภาคยะและอาเสขาภาคยะทัศนภาคยาสูตรเนี่ยกล่าวถึงพระอริยบุคคล5ประเภทภาวนาภาคยาสูตรแสดงด้วยพระอริยบุคคล12ประเภทอาเสขภาคยะสูตรแสดงด้วยพระอริยบุคคล9ประเภทนะมาดูไล่ตามลําดับว่าทัศนภาคยาสูตรแสดงด้วยบุคคล5ประเภทคือ เอกพีชีโกลังโกลาสตักขตุประมาณสถานุสารีและทำ ม, มนุสารีพั้นทัศน์ภาขยะสูตรสูตรเกี่ยวกับโสดาปฏิมักหรือเกี่ยวกับโสดาบันเนี่ยแสดงด้วยบุคคล5ประการเหล่านี้อันนะีห้าประเภทเหล่านี้หนึ่งเอกพีชีแปลว่ามีพืชอยู่พืชเดียวเหลือหน่อเดียวพีชานี่แปลว่าหน่อหรือแปลว่ามเมล็ดเนี่ยนะเหลือมเมล็ดเดียวแปลว่างอกในมนุษย์ได้อีกครั้งเดียว พระโสดาบันนะ่ะที่มาเกิดเป็นมนุษย์ครั้งเดียวแล้วจะปรินิพานอย่างที่สองโกลังโกละแปลว่าสองสามตระกูลโกลังโกละ ก, ก, ก, ก, ก็คือได้เกิดโกระเนี่ยนะกูรังโกระเนี่ยคือตระกูลทั้งหลายอยู่อีกสองสามตระกูลหมายก็ว่าอยู่ในครันสักสองสามแม่อกองนะสัตตคตุประมาละไม่เขาบอกว่าสัตคตคตุแปลว่าครั้งที่เจ็ดเป็นอย่างยิ่งคือไม่เกินเจ็ดไม่มีปฏิสนธิในภพที่แปด พบที่เจ็เป็นอย่างยิ่งว่างั้นเถอะอีก7ครั้งเรียบร้อยเลยทำกิจเพื่อความเป็นพระอาหารเสร็จเลยต่อไปศรัท ธ, ธานุสารีสศรัท ธ, ธานุสารีก็คือผู้ที่ปฏิบัติโดยที่มีศรัท ธ, ธานำหน้าศรัท ธ, ธาเป็นตัวนำหน้าให้ปฏิบัติกับธรรมานุสารีมีปัญญานำหน้าในการปฏิบัติพวกศรัท ธ, ธานุสารีเนี่ยพวกนี้เขาบอกว่าดาบไม่ค่อยคมแต่ก็แม้แต่ก็ใช้แรงหน่อยแต่ก็ฟันต้นกล้วยขาดว่างั้น ถ้าทำมานุสารีพวกนี้ปัญญานำหน้าฉับเดียวขาดเหมือนกันท่านพวกศรัทธานุสารีก็มีศรัทธานําหน้าพวกท ร, รมานุสารีก็คือธรรมะตัวนี้แปลว่าปัญญามีปัญญานําหน้าธรรมะในพระไตรปิฎกเนี่ยนะเห็นแล้วเนี่ยถ้าใครเห็นแล้วแปลหมดเนี่ยยุ่งเหมือนกันนะเพราะมีตั้งแปลได้ตั้งสิบกว่าอย่างแต่ก็ต้องดูใจความเอาถ้าศรัทธาธรรมะคู่กับศรัทธาธรรมะตัวนี้แปลว่าปัญญาเนี่ยนะ พระโสดาบันมีอยู่หประเภทด้วยกัน 1. เอกพิชีสองโกลังโกละสมสัตตัคขตุประมาณสสัทานุสารีกับหธรรมานุสารีจริงๆเนี่ยพวกสัทานุสารีนี่แหละมาแบ่งเป็นประเภทเอกพิชีโกรังโกละสัตตัคขตุหรือว่าธรรมานุสารีประเภทเอกพิชีโกลังโกละสัตตัคขตุเนี่ยถ้าขยายไปแล้วมันจะเยอะเองไงกันนเอามาเรียงกันนะเอาถ้าเอามาเรียงแล้วจะดูยุไปหมดเลย สรุปตรงนี้ยกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆที่ท พ, พบมีอยู่ในพระไตรปิฎกก็ห้าประเภทคือเอกะพิชีโกลังโกละสัตตกะตุปรมะสัทานุสารีและธรรมานุสารีดีแล้วพวกเรามาเรียนภาษาต่างประเทศตอนอายุมากสมองไม่เสื่อมแน่ลงเรื่องต่อไปนะภาวนาภาคิยสูตรมีอยู่สแสดงด้วยบุคคลบสองประเภทสบสองประเภทคือพวกอ่ ภาวนาภาคยะก็คืออะไรพวกสกทาคามีมักบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามีผลกับพระสกทาคามีผลบุคคลสกทาคามีมักบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําสกทาคามีผลให้แจ้งแปลว่าอะไรก็แปลว่าแปลภาษาไทยเอาง่ายๆนะก็สกทาคามีมักสกทาคามีผลอนาคามีมักอนาคามีผลนั่นแหละแล้วก็อันตราปรินิพพยีอนาคามี พวกนี้ปริณิพานในระหว่างอุปหัจจะอุปหัจจะปริณิพายีก็คือพระอนาคามีแบบประเภททยอยขึ้นไปเรื่อยๆเื ๆ, ๆ, ๆเรียกว่าอุปหัจจะอสังขารปริณิพายีอนาคามีก็บรรลุแบบเร็วเรียกว่าไม่ต้องเครียด ก, กล่อมมากอสังขาริกเนี่ยนะแปลว่าอะอสังขารไม่ต้องเครียด ก, กล่อมอะไรมากก็บรรลุแล้วหมายความว่าไม่ต้องเร่งปฏิบัติอะไรมากมายก็บรรลุง่ายกับสสังขารปริณิพายีอนาคามีพวกนี้ต้อง กระตุ้นมากจึงจะ บ, บรรลุได้อุดทางโสโตอกติตะคามีพวกนี้ก็ไหลไปโน่นอ่ะไปปริปรินิพานที่ที่โน่อนอ่ะอคติถาสัทธาวิมุตโสดาบันทิฏฐิป ต, ตะโสดาบันกายาสกขิโสดาบันภาวนาภากยาสูแสดงด้วยบุคคลสิบสองประเภทเหล่านี้เนี่ยนะพวกนี้พวกศรัทธาสัทธาวิมุติปฏิบัติมีศรัทธานำหน้ากับพวกทิฏฐิคือปัญญานำหน้า กายยะสักคิโสดาบันพวกนี้ก็ได้ฌานเนี่ยนะได้หมายถึงได้อรูปฌานสรุปว่าตรงนี้ภาวนาภาคยยะสูแสดงถึงพระอริยบุคคล12ประเภทนั้นพระธรรมที่พูดถึงบุคคลเหล่านี้โดยมากเป็นโลกุตระธรรมนะรู้เถอะว่าบุคคลที่ที่กล่าวไปทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยคำสอนที่เกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้เป็นคําสอนที่เกี่ยวกับเป็นโลกุตระธรรมการว่าพูดบุคคลก็ให้เห็นโลกุตระธรรมถ้าพูดโลกุตระธรรมก็ให้มองย้อนกลับมาหา บุคคลเหล่านี้เพราะโลกุตระธรรมเป็นสมบัติของบุคคลเหล่านี้บุคคลเหล่านี้ท่านมีสมบัติคือโลกุตระธรรมส่วนอาเสขภาคยสูตรนะผู้ที่ศึกษาประสบความสําเร็จจบการศึกษาเป็นพระ่าหันแล้วแสดงด้วยสูตรบุคคลเก้าประเภทคือสัทธาวิมุตติบุคคลปัญญาวิมุตติบุคคลสุญญาตาวิมุตติบุคคลอนิมิตตาวิมุตติบุคคลอัปนิหิตาวิมุตติบุคคลอุปโตภาคาวิมุตติบุคคลสมะสีสีบุคคล พระปเจกพระพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัทธาวิมุตติก็คือผู้ที่บรรลุโดยที่มีสัทธาเป็นหลักปัญญาวิมุตติผู้ที่บรรลุโดยมีปัญญาเป็นหลักพวกสุญญาวิมุตติก็บรรลุด้วยสุญญตานุปัสนาหรือบรรลุด้วยอนัตตานุปัสนาเป็นประธานอนิมิตาวิมุตติก็บรรลุด้วยอนิจจานุปัสนาเป็นประธานอัปนิหิตาวิมุตติบรรลุด้วยทุกขานุปัสนาเป็น แต่ยังไงนะอนุปัสนาเจตต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าเด่นอันไหนมากที่สุดเท่านั้นเองแล้วก็อุปโตภาควิมุตต์ก็คือหลุดพ้นโดยส่วนสองหลุดพ้นจากรูปด้วยอรูปหลุดพ้นจากอารูปด้วยอริยมรรคก็เรียกว่าอุพโตภาควิมุตต์สมะสีสีวิมุตต์ก็หมายความว่าบรรลุปเป็นพระอรหันต์เสร็จก็ปรินิพานเลยพระประเจกพพุทธเจ้าตลอดจนถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สูตรใดก็ตามที่กล่าวถึงคุณธรรมของบุคคลเหล่านี้ให้รู้เธอว่าเป็นโลกุตระสูตรก็แปลว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะเป็นสัตตาที่ฐานคำว่าบุคคลนี่มีอยู่โดยประมั้มั้ยไม่มีเนื่องจากว่าคุณธรรมเหล่านี้มีอยู่ที่ขันใดขันนั้นแหละโวหารว่าเป็นพระอริยบุคคลเจงก็มีแต่ขันใช่หัหย เขาบอกว่าถ้าอธิบายแบบประมาทเนี่ยพระพุทธเจ้าคือใครคือขันห้าที่ผ่านการอบรมมาตลอดสี่อสงไขยแสนกับขันห้านั่นแหละที่ผ่านการอบรมด้วยทานคือเจตนาที่จะให้อบรมด้วยศีลอบรมด้วยเนคขัมมะเป็นต้นนั่นแหละก็คือขันห้าที่ประกอบด้วยอรหันตคุณเป็นต้นะนะนั่นแหละเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นการแสดงแบบสภาวะหรือหรือเรียกว่าธรรมมาธิฐาน แต่ถ้าเป็นเนี่ยก็อธิบายเป็นบุคคลก็เป็นปุคลาทิฏฐานหรือสัตตาทิฏฐานเนี่ยนะเพราะว่าบัญญัติกับปรามัดถือว่าเป็นของคู่กันมีบัญญัติโดยที่ไม่มีปรามัดได้ไหมบัญญัติดายบ้งที่ไม่มีปรามัดรองรับนิพพานก็ยังมีสภาวะจริงรองรับเพราะนนั้สรุปว่าโวหารเนี่ยนะเหตุที่ดั้งให้เกิดโวหารขึ้นก็เนื่องจากมีปรามัดปรามัดเนี่ยแปลว่าเคยแปลไหมปรามัดแปลว่าอะไร เป็นประธานของบัญญัติทั้งหมดถ้าไม่มีประมัสเนี่ยจะไม่มีบัญญัติหรอกทีนี้ถ้ามีบัญญัติที่ใดสาวไปหาว่าต้องมีประมาสอยู่เป็นเบื้องหลังประมัสแปลว่าประธานของบัญญัติทุกชนิดถ้าไม่มีท่าท่าถ้าบอกว่ า, าพูดถึงสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงอ่ะเราแปลว่ามุสาเพราะเบื้องหลังของคําพูดทุกคําที่เป็นโวหารทุกภาษาจะต้องมีสิ่งนั้นรองรับแต่ถ้าพูดแบบพูดไปเรื่อยแล้วไม่มีอะไรรองรับอันนั้นเรียกว่ามุสาวาตดังนั้นอันนั้นไม่จริง จะไปไกลแล้วนะเนี่ยสรุปว่าโลกุตระสูตรแสดงถึงบุคคลกี่ประเภทยี่สประเภทมันถ้าพูดถึงยี่ประเภทเหล่านี้ให้รู้เถอะว่าเป็นสูตรของพระอริยบุคคลเกี่ยวกับโลกุตระธรรมทั้งหลายเอามาดูพวกโลกอะไรนะโลกิยาสูตรบุคคลสูตรที่เกี่ยวกับบุคคลผู้เฝ้าโลกผู้ดูแลโลกรับใช้โลกปริบัติโลกใส่ปุ๋ยบารุงโลกนะนะ เพิ่มพูนปตัตตภีที่เป็นป่าช้าในโลกมีอยู่19ประเภท19ประเภทก็บอกว่าค้นหาบุคคล19ประเภทนั้นที่ท่านแสดงไว้ด้วยจริตทั้งหลายเรียกว่าดูที่ความประพฤติจริตเรียว่าประพฤติดูที่ความประพฤติคือบางคนเป็นพวกราคาจริตแปลว่าประพฤติตัวอยู่กับราคาราคาเป็นหลัก น, นะนะบางคนนี้เป็นโทสะจริตหมายาว่าทําทุกอย่างโทสะนําหน้าเกือบทุกเรื่อง พวกโมหะเจริญก็โง่นําประพฤติด้วยความโง่บางทีมันบวกกันนะคละกันพวกราคาบบวกกับโทสะแล้วก็คละกันในพวกราคาบวกกับโมหะบางทีก็พวกโทสะบวกกับโมหะกรณีนะพวกเนี้มันมีจริญแบบนี้จริงๆบางพวกก็ราคาบโทสะและโมหะหนาไปทุกล้านเลยนะบอกว่าโง่แล้วก็โง่แล้วกโกรธอีกนนะ บางคนนี่ก็อะไรโง่แต่ชอบเป็นต้นเนี่ยก็มีอยู่หลายกลุ่มนะแล้วก็ต่อไปบุคคลผู้ราคะเจริญตั้งอยู่ในทางแห่งราคะหมายความว่าเปิดช่องให้ตัวเองไปหาแต่ราคะบางพวกนี้เป็นโทสะแล้วก็อยู่ในตั้งอยู่ในทางแห่งราคะเป็นยังไงโทสะเจริญแต่ตั้งอยู่ในทางแห่งราคะหมายความว่าเป็นพวกโทสะเจริญแต่ทาทุกอย่างต้องต้องชอบเป็นหลักนนะ บางคนนี่เป็นโมหะจริตแต่ตั้งอยู่ในทางแห่งราคะเรียก ว, ว่าเปิดประตูตัวเองเพื่อเสริมสร้างราคะฮั่นจริตนี่มันแปลได้ชาติหนึ่งเป็นคนที่โกรธอีกชาติหนึ่งโง่งไปเลยก็มีเอาไม่ไงนะั้นจะเป็นมนุษย์แล้วจะไปตกอบายได้ยังไงเพราะมันแปลสภาพได้ใช่จริตนี่มันแปลได้นะต่อไปบุคคลผู้เป็นราคะโทสะจริตและโมหะจริตตั้งอยู่ในทางแห่งราคะบุคคลผู้โทสะจริตตั้งอยู่ในทางแห่ง โทสะบุคคลผู้โมหะจริญตั้งอยู่ในทางแห่งโทสะบุคคลผู้ราคะจริญตั้งอยู่ในทางแห่งโทสะบุคคลผู้ราคะเจริญตั้งราคะเจริตโทสะจริตและโมหะจริญตั้งอยู่ในทางแห่งโทสะบุคคลผู้เป็นโมหะจริญตั้งอยู่ในทางแห่งโมหะบุคคลผู้เป็นราคะเจริญตั้งอยู่ในทางแห่งโมหะบุคคลผู้เป็นโทสะจริญตั้งอยู่ในทางแห่งโมหะบุคคลผู้เป็นราคะจริตโทสะจริตและโมหะจริตตั้งอยู่ในทางแห่ง โมหะคิดง่ายๆอย่างนี้ว่ามันรัจเจรดมันก็มีอะไรราคาโทสะและโมหะทีนี้มันจะเอาอะไรมาบวกกันแค่นั้นแหละทีนี้เมื่อบวกกันแล้วก็เป็นธาตุแท้ของคนนี้แล้วคนนี้อยู่ในสถานการณ์ใดไอคาว่าทางแห่งราคาทางแห่งโทสะทางแห่งโมหะอะไรคือทางแห่งราคะสุภานิมิตเป็นทางแห่งราคะปฏิฆานิมิตอยู่ในทางแห่งโทสะอุเบคานิมิตมัชตะทั่วไปเป็นที่ตั้งแห่ง เป็นทางแห่งโมหะคนราคะจริตตั้งอยู่ในทางแห่งราคะก็คือคนราคะจริตแต่เกี่ยวข้องกับสุภานิมิตราคะจริตตั้งอยู่กับเกี่ยวข้องกับปฏิฆานิมิตราคะจริตตั้งอยู่ในอุเบขานิมิตพันธ์ก็มันก็กระจายออกตามนี้พื้นฐานจริงๆคนนี้เป็นคนโทสะแต่ว่าอยู่ในแวดวงที่ที่ตัวเองชอบหมดเลยพันธ์เรียกว่าอยู่ในทางแห่งราคะบางคนนี่เป็นคนที่ราคะจริต แต่ว่าอยู่ในช่องทางที่ทําให้โกรธหมดเลยนะราคาจริตขนาดไหนเถอเขาบอกว่าอะไรนะสั่งประหารอย่เงี้ยนั่งนะเครียกดกันนั่นแหละนะจะชอบแค่ไหนปกติเป็นคนที่อะไรนะราคาจริญนะชอบไปหมดเพลินไปหมดเลยเห็นดอกไม้ใบเดียวก็สวยนะดอกไม้ดอกเดียวสิไม่ใช่ใบเห็นใบไม้ใบเดียวก็สวยพวกนี้จะดูโลกสร้างสรรค์หมดเลยแต่บอกว่าสั่งประหารแค่นั้นเนะ่ยเหงื่อท่วมเลยใช่ไหมเพราะว่าอยู่ในทางแห่งโทสะเนี่ยนะ ก็สรุปว่าสรุปว่าอะไรไปในตลาดจะเห็นหมดเลยคนนี้ไม่อันใดก็อันหนึ่งนั่นแหละนี่เป็นธรรมเนียมเป็นปกติของคนที่เฝ้าโลกอยู่กับโลกเกี่ยวเนื่องกับโลกโลกแปลว่าอะไรสลายเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่จําเป็นต้องสลายเรียกว่าโลกียะเนี่ยนะคิดว่าอยู่ในหนทางแห่งความแตกสลายคําว่าโลกแปลว่าแตกสลายหรือแตกทําลายไปมั้นโลกไหนวัางที่ไม่แตกสลายมีไหมไม่มีเนี่ยนะ สรุปว่าโลกิยะสูตรแสดงด้วยปุคลาที่ฐาน19เประเภทจำง่ายๆว่าถ้าเกี่ยวมีราคาโทสะโมหะเมื่อไรลรวให้รู้เทาว่าโลกิยะแน่นอนอันนี้นะถ้าจะกำหนดจดจำให้มันง่ายเนาะนะว่าที่เหลือเดี๋ยวก็ไปแตกกิ่งก้านเอากันแลกกันวาสนาพาคยยสูตรพึงสแสดงด้วยบุคคลผู้มีศีลเป็นต้นนะคนที่มีวาสนาหรือคนที่กาลังสร้างวาสนาให้ตัวเองเนี่ยนะ วาสนาแปล ว, ว่าบุญก็คือคนที่ทำบุญคนที่ทำบุญก็คือพวกที่มีศีลเป็นต้นเช่นปกติศีลหนึ่งปกติศีลสองศีลศีลโดยปกติมันว่าคนดีโดยอัธยาศัย่ะเห็นหมดแล้วมันบีไม่ได้อะเป็นต้นมันก็คนดีโดยอัธยาศัยเรียกว่าดีโดยปกติบางคนก็ดีโดยการสมาทานดีโดยการสมาทานบางคนนี้ดีโดยการเชื่อผลแห่งกรรมและศรัทธาใน พระรัตนตรยัยเนื่องจากเขามีตถากรรมมสัสกาศรัทธาและตถาคตโพธิศรัทธาบางพวกก็ดีโดยสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนะดีโดยสมถะบ้างดีโดยวิปัสสนาบ้างเพราะฉะนั้นปกติศีลสมาทานศีลคนที่มีศรัทธาในเรื่องกรรมและพระรัตนตรัยสมถะและวิปัสสนาทั้งห้าประเภทเหล่านี้ประเภทยังอยู่ในส่วนของบุญกําลังทําบุญอยู่กําลังทําบุญอยู่ บุคคลเหล่านี้จะทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่สักไม่นานสักเท่าไราจะรู้ตามพระพุทธเจ้าไม่เกินเสียสงไข่รอกเอา้าไม่ใช่เหรอจะรีบไปไหนแต่เชื่อไหมโอโหพอฟังตอนนี้นะ่รีบมากอีกเธอขาดเดินกลับบ้านนะแค่นั้นแหละมันทุกอย่างมันจะอะไรนะสโลโมชั่นหมดเลยนะอืดเลยนะแทบจะอามาภาตอยู่แล้วงนั้น แม้ตอนฟังอย่างนี้แม่รีบมากอืมขวนขวายไม่ได้อยู่ไม่ได้ต้องรีบบรรลุอย่างนั้นอย่างนี้เแล้เธอเดินออกแค่ห้องอ่ะชั่วโมงกาแฟกันนะ่นันแะโอ้ไม่ได้รีบอะไรเลยเนี่ยนะเย็นสบายหมด <c oughs> ต่อไปบอกว่าโลกุตระสูตรที่เป็นธรรมมาที่ฐานแสดงด้วยสูตรสามอย่างนะที่เป็นธรรมะก็คืออะไรทัศนะภาคยะสูตรภาวนาภาคยะสูตรและอเสขภาคยะสูตร โ ล, โลกุตระก็เกี่ยวกับอะไรทัศนะคือโสดาปติมัสการาคามิมั ก, ก, มกจนถึงคุณธรรมของผ้าฐานการแสดงธรรมตามนี้แล้วเรียกว่าโลกุตระสูตรที่เป็นธรรมมาที่ฐานส่วนโลกิยะสูตรโลกุตระสูตรที่เป็นศรัทธาธิฐานธรรมมาที่ฐานก็เอาพระสูตรแล้วนะั้นมาแสดงคละกันไปก็คือในสูตรใหญ่ๆเนี่ยนะถ้าเป็นสูตรใหญ่ๆในพุทธพจน์เนี่ยจะมีแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแ คือการแบ่งสูตรอันนี้ไม่ใช่สูตรแบบแบบที่เราเรียนกันนะเช่นทีฆณิกายสาสิบี่สูตรมาชิมะนิกายร้อยห้าสิบสูตรสังยุตตนิกายเจ็ดพันกสูตรอังคุตเก้าพันกสูตรเป็นต้นไม่ใช่แบบนี้หมายคือว่าบางทีหนึ่งสูตรหมายถึงหนึ่งบรรทัดตามตามนี้น ะ, ะบรรทัดที่หนึ่งโลกุตระสูตรบรรทัดที่สองโลกียะสูตรบรรทัดที่สามโลกียะกับโลกุตระเขาแบ่งกันแบบนี้ เนี่ยนะอันนี้นี่แบ่งลักษณะของเนติปกรณ์คิดว่าอ่านให้ออกเลยว่าแต่บรรทัดเนี่ยหมายถึงอะไรบรรทัดนี้หมายถึงอะไรบรรทัดนี้หมายถึงอะไ ร, ะไรเป็นต้นน่ยนะต่อไปว่าญาณสูตรญาณสูตรสูตรที่กล่าวถึงยานะคือความรู้กล่าวถึงปัญญาคือปัญญาปัญญีสีปัญญาภะะอธิปัญญาสิกขาธรรมวิจรายสัมโพธชงสัมมาทิฏฐิตีรณะสันตีรณธรรมญานอันวยะยาณ ขยายานอนุ ป, ปาทยานอนัญญตัญาส อ, อนัญญาตัญ า, ามีตินีอัญญินซีอัญญาตาวินซีจากโสวิชาพุทธิภูริเมธาหรือที่ไหนก็ได้ที่แสดงด้วยชื่อปัญญาที่ได้พบเห็นให้รู้เท่าว่าตรงนั้นแสดงถึงตัวความรู้ก็ให้มันอะไรนะมีศั์อะไรที่มันบอกว่าอันนี้ปัญญาแน่นอนให้รู้เท่าว่าพุทธพุตรงนั้นเนี่ยอธิบายถึงตัวความรู้ เช่นจากสุปัญญาวิชาแสงสว่างก็พุทธพจน์บทนี้เป็นเป็นอะไรเป็นความรู้นี้ทุกทุกเป็นสิ่งที่ควรควรรู้ความรู้ในทุกเป็นความรู้ตัวทุกขสัจจะเป็นสิ่งที่ควรรู้ตัวความรู้กับสิ่งที่ควรรู้เหมือนกันไหมอ่านหนังสือกับหนังสือที่น่าอ่านเหมือนกันไหมเหมือนไหมไม่เหมือนถ้าใครคิดว่าเหมือนได้ก็แย่บทีนะ ก็นี้ก็เหมือนการความรู้กับสิ่งที่ควรรู้ก็ลักษณะนั้นสิ่งที่ควรรู้คืออริยสัจถ้าความรู้ล่ะก็คือรู้อริยสัจย่อยะสูตรย่อยะสูตรสูตรที่สูตรที่ที่กล่าวถึงสิ่งที่ควรรู้อะไรคือสิ่งที่ควรรู้บ้างอดีตควรรู้อนาค ต, ตก็ควรรู้ปัจจุบันก็ควรรู้สมัยใหม่แต่อะไรเกิดขึ้นไม่ทราบเน้นให้รู้แต่ปัจจุบันเว่านั้นชื่นชมมากว่ า, าการอยู่กับปัจจุบันนี่เป็นสิ่งดีเลิศเลิศเลิศจริงๆเลย หนังสือขายดิบขายดีเนี่ยหนังสือเกี่ยวกับขายเรื่องให้มันอยู่กับปัจจุบันนะก็ก็น่าคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นยั ย, ะยะตรแปลว่าสูตรที่ควรรู้ควรรู้ถึงอดีตก็ควรรู้รู้ด้วยอะไรถ้าจะรู้เนี่รู้ด้วยปุเพนิวาสารุสติยานเป็นต้นอนาคตควรรู้ด้วยอนาคตังสยานปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนี่แบ่งออกเป็นสองอย่างปัจจุบันเหตุกับปัจจุบันผล ปัจจุบันนัผลกับปัจจุบันเหตุก็แยกว่าปัจจุบันนี่ส่วนที่เป็นปัจจุบันนีอยู่ในส่วนเหตุหรือส่วนของผลเป็นต้นนั้นอดีตต่เหต past, ปจจุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุก็คืออนาคตผลอดีตอนาคตปัจจุบันนี้เป็นยยาธรรมเป็นธรรมที่ควรรู้ถ้าไม่รู้เรียกว่าวิชาอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกก็ควรรู้เ น, น, น, น, นี่ยนะอายตนะคือตาอายตนะคือเสียอายตนะคือหัวอายตนะคือ สียงสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ควรรู้ทำที่เลวกับทำที่ประนีตก็ควรรู้ทำที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้ก็ควรรู้แปลว่าอะไรก็แปลว่าอุปาทานขันห้าควรรู้อันนอะไรนะขันห้าทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตไกลและใกล้ทั้งหมดนั้นก็คือสังคตะธรรมใชเป็นธรรมที่ควรรู้ทั้งสังคตะทุกชนิดเป็นธรรมที่ควรรู้ อสังคตธรรมทำที่ดับสังคตะก็ควรรู้เนี่ยนะอสังคตะคือทำที่ดับสังคตะนี้ควรรู้ทำที่เป็นกุศลก็ควรรู้อกุศลก็ควรรู้อัพยากตะก็ควรควรรู้ไอ้ควรรู้กับให้ไปมีอย่างนั้นนี่คนละประเด็นกันนะฟังให้ดีว่าอกุศลนี่ควรรู้จักแต่ไม่ได้บอกให้ไปเป็นอกุศลควรรู้เนี่ยหมายความว่าควรรู้ด้วยปัญญาแต่ไม่ใช่ให้ไปไปไม่มีปัญญาแล้วไปเป็นแบบนั้นพูดคนละอย่างกันนะ บางคนก็เลยบอกว่าเอ้าอากุศลเกิดจะได้กําหนดรู้อกุศลสัทีเขาบองั้ น, น ก, ก็เสียหายมากไม่ใช่นะไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปบอกว่าหรือสิ่งใดก็ตามที่เออเอาใหม่ทวนอีกครั้งหนึ่งอดีตอนาคตปัจจุบันอายตนะภายในอายตนะภายนอกทำเลวทำปนิดทำอยู่ใกล้หรือใกล้สังคตะหรืออสังคตะกุศลอกุศลอภยกตะถ้าย่อลงมาก็คืออารมณ์6รูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะและ ธรรมารมณ์ที่รู้ในทวารหกก็มีเท่านี้นะถ้าย่อมานะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ควรควรรู้เคยได้ยินไหมอะไรนะรูปควรรู้ยิ่งจากอะไรนะตาควรรู้ยิ่งสีควรรู้ยิ่งจากคูวิญญาณควรรู้ยิ่งอัยยะก็คือแปลว่าควรรู้ยิ่งนั่นแหละควรรู้รู้ให้เป็นอะไรเมื่อรู้สิ่งที่ควรรู้ก็จะละสิ่งที่ควรละรู้เหล่านี้เพื่อละนะคาว่ารู้สิ่งเหล่านี้เพื่อละอะไร ก็ละสมุทยาสัจจะเป็นต้นเขาเลิกให้สิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุแห่งทุกข์อีกต่อไปเนี่ยนะส่วนสูตรที่เป็นทั้งยานและยยะหมายให้ว่าสูตรที่กล่าวถึงตัวความรู้และสิ่งที่ควรรู้ก็แสดงด้วยอัถะของยาณะและยยะหมายว่าพูดทั้งสิ่งที่ตัวความรู้และสิ่งที่ควรรู้ทั้งสองอย่างนั้นแม้ปัญญาที่เป็นอารมณ์ก็ชื่อว่ายะยะธรรมที่เป็นอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม พึงแสดงธรรมทั้งหมดนั้นด้วยความเป็นสังคตะและอสังคตะมันก็แบ่งออกเป็นสองอย่างนะสังคตะคือสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอสังคตะมีอยู่สอย่างคือบัญญัติและนิพานนะบัญญัติก็เป็นอสังคตะส่วนพระนิพานก็คือธรรมที่ดับสังคตะทุกชนิดแสดงสังคตะและอสังคตะทั้งสองอย่างนั้นในสูตรทั้งปวงเป็นต้นว่านี้เป็นทัศนะสูตรนี้เป็นทัศนะและข้อไยนี้เป็นทัศนะสูตรนี้เป็นภาวนาก็คือระดับโลกุตระ นี่เป็นส ก, กะวจนะเป็นของพระพุทธเจ้านี่เป็นประวจนะของลัทธิอื่นวิสัชนียะนี้ควรตอบอวิสัชนียะไม่ควรตอบฉันใดพึงไข้ครวนแล้วแสดงตามที่ได้ฉันนั้นพิจารณาให้ละเอียดแล้วก็ขยายตามหลักการเหล่านั้นอย่าลืมว่าเนติปรกรณ์ก็คือวิคัมพีที่ว่าด้วยหลักการขยายพุทธพจน์โดยที่ไม่ผิดกฎเกณฑ์นะพะนธะถ้าเราเข้าใจกฎเกณฑ์เหล่านี้เราก็สามารถขยายได้โดยที่ไม่ผิด ไม่ผิดระเบียบเนี่ยนะไม่ผิดหลักการของคําสอนสรุปว่าหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคําใดอย่างใดอย่างหนึ่งในสูตรเหล่านั้นก็คึงจดจําสูตรทั้งปวงนั้นไว้ตามที่พระองค์แสดงหรือคิดอีกในหนึ่งบอกง่ายมากท่านบอกวิธีแนะนําง่ายที่สุดที่จะง่ายได้พระพุทธเจ้าว่ายังไงก็ว่ากั้นแหละอะไรนะก็ชอบบทสรุปตรงนี้มากเลย จำไว้ตามที่พระองค์แสดงนั่นแหละคือพระองค์ตรัสยังไงก็จำไว้อย่างนั้นแหละง่ายดีนะนะถ้าสัตว์โอ้โหอะไรวุ่นวายไปหมดเลยนะสรุปก็กคำนวณหลักการก่อนไปไหนฟังแล้วมันสับสนปวดหัวไปหมดเลยสรุปว่ า, าจำพระพุทธพจน์ไหนได้พระองค์ให้ว่ายังไงก็ว่าตามพระองค์ก่แล้วกันนะนะอย่าไปซิกแซกอะไรมากมายเลยนะบางคนเนี่ยโยงแล้วก็ใหญ่หญ่โยงใหญ่เสร็จแล้วก็ช็อตไม่เลย แปลวล่าแปลว่าเอาเรื่องนี้ไปปะเรื่องนั้นเอาเรื่องนั้นไปเปาะเรื่องน้องสูตรน้นงงคืออะไรก็ไม่รู้อะไรกักลั บ, บมาใหม่ว่าเหตุมีสองอย่างเหตุที่เป็นกรรมและเหตุที่เป็นกิเลสกรรมและกิเลสเนี่ยนะสมุทยสัจจะเป็นกิเลสสมุทัยเนี่ยคือกิเลสเพราะกิเลสเนี่ยนะมันเป็นตัวที่ทําให้กรรมให้ผลกิเลสเนี่ยเป็นเหตุที่ทํากรรมให้เกิดผลได้บรรดาสูตรเหล่านั้นกิเลสพึงแสดงด้วยสังกิเลสภาคิยาสูตร สังกิเลสะภาคยะมีกี่อย่างหนึ่งพุจริต์สองตันหา3มทิฏฐิอะ น, นะวันเวลาจะแสดงสมุทัยสัจจะหรือแสดงกิเลสก็แสดงด้วยสังกิเลสะคือทุจริตตันหาและทิฏฐิสมุทัยพึงแสดงด้วยสังกิเลสะภาคียสูตรและวาสนาภาคียสูตรอ่ะ น, นะสมุทัยคือสาเหตุเนี่ยนะก็ทั้งคือทั้งกิเลสทั้งบุญเนี่ยนะก็ยังนำเกิดอยู่บุญนำเกิดไหมนำเกิดทัานบุญก็ชื่อว่าเป็นสมุทัยเพราะเป็นเหตุแห่ง แห่งการเกิดเนี่ยนะก็บอกว่าบุญนี่ให้ผลอย่างดีเลยไม่ใช่หรือบุญให้ผลดีใช่ไหมบอกดีก็ดีก็มาเป็นมนุษย์อย่างนี้ล่ะมนุษย์ษยแก่ไหมแก่เป็นต้นเนี่ยนะกุศลพึงแสดงด้วยสสูตรถ้าจะแสดงเรื่องบุญนะแสดง4สูตรคือภาวนาอวาสนาภาคิยะทัศนภา ค, ยะภ า, คยะภาวนาภาภาวนาภาคียะและอาเสขภาคยาสูตร อกุศลก็แสดงด้วยสังกิเลสภาคียสูตรทั้งกุศลและอกุศลก็เอาทั้งสองชุดคือชุดวาสนาเป็นต้นกับชุดสังกิเลสเป็นต้นเอามาแสดงอนุญญาตตะสูตรเพื่อแสดงด้วยการอนุญาตของพระพุทธเจ้าว่าพราะองค์อนุญาตอะไรอนุ ญ, ญาตะสิ่งที่พระพุทธเจ้าอนุญาตมีอยู่5้าอย่างตรงนี้นะหนึ่งสังวรแปลว่าการปิดบากสังวรนี่แปลโดยศับแปลว่าปิดเช่นปิดประตู สังวรเนี่ยสัมรวมสํารวมแปลว่าอะไรคําครึมเมื่อก่อนนี้แปลสังวรว่าทําครึมอ้าวทำครึมครึมเบลเลอะไรนั่นแหะสังวรไม่ใช่สังวรแปลว่าปิดห้ามไม่ให้บาปมันเข้ามาแล้วก็ปหานะแปลว่าการละภาวนาแปลว่าการเจริญสัจจิกิริยาการทําให้แจ้งกัปปิยานุโลมก็คืออนุโลมกับสิ่งที่สมควรกัปปิยะแปลว่าสมควร แปล ว, ว่าดีเหมือนั้นเธอแปล ว, ว่าทําไปเธออนุโลมต่อความสมควรความดีเนี่ยนะสังวรหานะภาวนาสัจฉิกิริยาและกับปิยานุโลมเป็นต้นที่ปรากฏในภูมินั้นๆทั้งในส่วนของปุถุชนและพระอริยะเป็นต้นทั้งที่สมกับปยะและว่าควรกับและกับปิยานุโลมอนุโลมได้กับสิ่งที่ควรปฏิคิเตสูตรปฏิคิตตสูตรสูตรที่พระองค์ห้าม เมื่อกี้เมื่อกี้นี่อนุญาตะใช่ไหมอนุญาตอนุญาตเท่าไหร่ห้าอย่างแล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามล่ะก็แสดงด้วยเหตุที่พระพุทธเจ้าห้ามเช่นในพระวินัยพระองค์ห้ามอะไรบ้างเป็นต้นนะมาพระสูตรก็มีห้ามเช่นห้ามพระวินัยนี้เน้นห้ามโทสะพระสูตรเน้นห้ามโลภะอภิธรรมเน้นห้ามโมหะทศวรรษคมภีทั้งปิดกสามก็เน้นห้ามบาปห้ามอกุศลนั่นเอง ส่วนทวสูตรทวะสูตรสูตรว่าด้วยการสรรเสริญเช่นถ้าจะสรรเสริญนะบุกอะไรบ้างที่ควรชมหนึ่งสันเสริญพระพุทธเจ้าสองสรนเสริญอสังคตธรรมคือพระนิพพานสาสรรเสริญพระอริยสงฆ์มันการอะไรนะหนังสือสันเสริญพระรัตนตรัยนั่นแหละไปสรรเสริญตามนั้นไม่ผิดเหมือนกันสรรเสริญมรรคผลของพระอริยเจ้าสันเสริญไตรสิกขาสาม ที่ถึงพร้อมด้วยโลกิยะคุณหรือโลกิยะคุณที่เป็นไปกับศีลสมาธิและปัญญาพราัน้าจะสรนเสริญสันเสริญห้อย่างนะถ้าถ้าไล่มาอีกในหนึ่งก็คือสรรเสริญสิกขาโลกิยะคุณก็ตามที่เป็นไปกับศีลสมาธิและปัญญานี้ควรสรนเสริญสรนเสริญมรรคผลของพระอริยเจ้าสรนเสริญพระอริยสงฆ์สัรเสริญพระธรรมและสรนเสริญพระพุทธเจ้าทั้งหมดเหล่านี้ควรยกย่องและสรรเสริญภาษาริบุตรเนี่ยนะที่ท่านเป็นผู้เลิศทางปัญญาเพราะท่านทําอะไรมา ท่านทากรรมอะไรมหมท่านทํากรรมว่าด้วยการสันเสริญพระรัตนตรตรพันชาตินี้ใครไม่ค่อยฉลาดเนี่ยนะถ้ายิ่งว่าไม่ฉลาดมากโ้มพระพุทธเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ชาติน่าจะได้ฉลาดตามพระพุทธเจ้านะฉลาดตามนะไม่ได้ฉลาดเท่าแต่ว่าฉลาดตามเดินตามพระพุทธเจ้านี่ได้ดีอย่างเดียวเพราะพระ อ, องค์รู้และรู้จักทางพ้นแห่งความทุกข์นะถ้าเดินตามพระ อ, องค์ก็พ้นทุกข์แน่ สรุว่าถ้าจะสันเสริญหอย่างนะควรสันเสริญหนึ่งสันเสริญพระพุทธเจ้าสองสันเสริญอสังคตธรรมคือพระนิพพานสามสรรเสริญพระอริยสงฆ์สี่สันเสริญมรรคผลของพระอริยห้าสันเสริญไตรสิกขาศีลสมาธิและปัญญามาถึงบทอวสานจริงๆอินทรียภูมิพึงแสดงด้วยกุศล9ประการกุศล9ประการมีอะไรกิเลสภูมิ คูมของกิเลสแสดงด้วยอาุศล9ประการเอานะย้อนกลับมาทบทวนนันทิยาวัตนายแสดงด้วยกี่มูล ม, ม, ม, มีมีกี่บทมีมูลบทเท่าไหร่มีมูลบท4คือเราแบ่งเป็นอะไรนะอวิชากับตัญหาตรงกันข้ามละ่ะโวทานคือสมถะกับวิปัสสนารานันทิยาวัตนายมีสี่ ติปุคละในมี6มี6กคือกุศลมูลสกับอากกุศลมูล3สีห ว, วิกิริตาในก็มีอยู่8บท8บทก็คือวิปลาสสกับอินรียสอินสีีหรือสติปฐานสีนั่นเองพันธนินทยาวัตนัยสติปุคละใน6สีหวิกิริตาใน 8, 4บวก6บวก8รวมเป็น18ฝ่ายกิเลส9ฝ่ายกุศล9รวมเป็นมูลบท18แบ่งเป็นกุศลบท9กอกุศลบท9ทีนี้ไอ้ทั้ง18เนี่ยนะเวลาเราไปเช็คตรวจสอบเช็คตรวจสอบได้จากที่ไหนจากศาสนะปะฐานก็คือคำสอนที่เป็นสูตรเดี๋ยวนะบกบวกี่สินเท่าไหร่ ก็44บก็ดูได้จาก44สูตรเนี่ยนะสสูตรเนี่ยเป็นเป็นเครื่องบอกให้รู้จกักมูลบทคือมูลบท18แนี่แหละมันเป็นตัวสร้างสูตรคือสูตรเนี่ยแสดงตามมูลบท18นั่นเองเนี่ยนะทีนี้ไนอะ้มูลบท18เนี่ยเป็นตัวขยายอะไรเบื้องหลังของการอย่างนั้นที่ยาวัตตะก็คือเอาสมถาวิปัสนาเอาอาวิชากับตันหาอย่างลงอริยสัจ ติปุคละก็เอากุศลมูนกับอกุศลมูนแล้วยังลงสู่อริยสัจสีหวิกิริตาก็คือเอาวิปัาสีกับสติปฐานสียังลงสู่อริยสัจมันเอาก็คือความรู้เกี่ยวกับอริยสัจการแสดงอริยสัจโดยแง่มุมต่างๆเพื่อการตรัสรู้ของสาวกทั้งหลายนั่นแหละเรียกว่ า, าศาสนประฐานการแสดงเพื่อให้สาวกทั้งหลายได้เกิดการตรัสรู้นั่นแหะมันจะแสดงอะไรก็ช่างเถอะยิบมามันก็คือประกาศอริยสัจ ท, ทั้งนั้นน่ะ แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นโครงสร้างอ่ะนะเป็นโครงสร้างเป็นกําหนดทิศทางสรุปสมถะเป็นต้นที่เป็นฝ่ายกุศลพระมหากาจยนตบอกว่าข้าพเจ้าพันนาประกอบด้วยเกบทตัณหาเป็นต้นที่อยู่ในฝ่ายอากุศลข้าพเจ้าพันนาประกอบด้วย9บทบท18เหล่านี้แลชื่อว่ามู ล, ลบทมูลบทเป็นมูลบทที่เป็นเหตุให้ตั้งาศาสนประฐานคือสูตรต่างๆคัมภีร์เนติ ตะกรคือคำพีที่หรือพระธรรมที่แสดงเพื่อบรุมรรคผลนิพพานเนติเนตินตแปลว่านำไปสู่มรรคผลนิพพานคำสอนที่เป็นไปเพื่อบรุมรรคผลนิพพานที่พระหมหากรจยณะเถระกล่าวแล้วพระผู้มีพระภาคก็อนุโมทนาตามบันเทิงแปลว่าอนุมัติรับรองว่าใช้ได้ถูกต้อง และเป็นคำสอนที่พระอรหันต์ทั้งหลาย500มีพระมหากัะสปะเถระเป็นประธานยกขึ้นสู่สังขยนาในปฐมสังขยนาจบลงแล้วด้วยลำดับคำมีประมาณเท่านี้นะเท่านี้เดี๋ยวจะให้พักสักครู่หนึ่งแล้วก็มาฟังประวัติของพระมหากัะจยนะนะเจิญพร